ประทีปสองธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชคุณความดีของหนังสือเล่มนี้ขออุทิศแด่โยมแม่ดวงแก้วสัญญากรหลวงพ่อสุจินสุจินโนหลวงพ่อมนตรีอภัสโรคุณแม่ชีอุไรชมแข้ไขอุบาสิกาอรนุษสัญญากร ผู้เป็นแรงบันดาลใจและเกื้อกูลให้ได้บรรพชาอุปสมบทคุณทนาุจิพัฒนกุลคุณประภัยจงเสถียรอุบาสกสมชายวันชนะผู้ช่วยเหลือการ ง, งานของผู้เขียนมาโดยตลอดขอความการุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อถกเถียงกัน หรือแนำไปปลอมปนไว้ในบทประพันธ์ธรรมะซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัวเรียบง่ายและลัดสั้น เสียงหนังสือเรื่องประที่ส่องธรรมโดยพระอาจารย์ปรโปาโมทปาโมชโชอารมณประบทเพื่อนนักปฏบิบัติบางท่านแม้จะอ่านหนังสือวิมุติปฏิปทาและวิถีแห่งความรู้แจ้งแล้ว ก็ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นการปฏิบัติได้อย่างไรจึงต้องการให้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกตัวและการดูจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังบ่อยนะักและบางท่านต้องการทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะภาคปฏิบัติไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยว่าน่าสนใจเพราะนักปฏิบัติไม่ควรทิ้งพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นทั้งแผนที่ที่มั่นใจได้และเป็นทั้งเครื่องสอบทานผลการปฏิบัติที่ดีอย่างหนึ่งด้วยนี้คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ซึ่งประกอบด้วยบทความ12เรื่องได้แก่ 1. บทความ6เรื่องแรกเขียนขึ้นเพื่อเพื่อนนักปฏิบัติที่ไม่สนใจพระปริยัติธรรม เรื่องที่ขอเสนอให้สนใจมากสักหน่อยได้แก่เรื่องประทีปสองธรรมและเรื่องการตามรู้จิตวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายและรัดสัน้นสองบทความห้าเรื่องถัดไปเขียนขึ้นเพื่อเพื่อนนักปฏิบัติที่สนใจจะศึกษาพระปริยติธรรมในระดับที่พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่ถ้าต้องการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ลึกซึง้งก็คงต้องขวนขวายเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไปทั้งนี้ผู้เขียนต้องขอเรียนไว้ก่อนว่าผู้เขียนมีความรู้ในด้านพระปริยัติธรรมน้อยข้อเขียนจึงอาจจะมีข้อบกพร่องในประเด็นปลีกย่อยอยู่บ้างจึงต้องขออภัยในความเข่าไม่ล่วงหน้าแต่ที่ฝืนใจเขียนขึ้นมาก็เพราะเห็นว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ ไม่สนใจจะศึกษาพระปริยติธรรมส่วนนักปริยติธรรมก็มักไม่เข้าใจจุดที่นักปฏิบัติต้องการทราบจึงไม่ทราบว่าจะไปกราบไหว้วิงวอนให้นักปฏิบัติหรือนักปริยัตท่านใดช่วยเขียนเรื่องเหล่านี้มาให้เพื่อนๆอ่านกันได้จำเป็นจำใจต้องเขียนขึ้นเสเองและ 3. เรื่องสุดท้ายเป็นบันทึกการถามตอบปัญหาธรรมะ บทความแทบทุกเรื่องมุ่งเน้นไปที่จุดเดียวกันคือการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนานั้นต้องทำด้วยการมีความรู้สึกตัวและตามรู้กายและหรือตามรู้ใจอยู่เนือ ง, องโดยต้องรู้ให้ถูกตรงตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักกิจในอริยสัจด้วยฉะนั้นท่านผู้อ่าน สามารถเลือกอ่านบทความเพียงบางเรื่องที่เห็นว่าเข้าใจง่ายสำหรับตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดเพราะอาจจะมีแง่มุมหลากหลายเกินความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติของบุคคลคนหนึ่งและเช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นๆที่ผู้เขียนได้เขียนมาแล้วคือหากท่านใดอ่านแล้วเกิดความสนใจใคร่ปฏิบัติขอได้โปรดสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในภาคปฏิบัติต่อไปส่วนตัวผู้เขียนเองด้วยความรู้ความสามารถคงทำหน้าที่ได้เพียงการเป็นผู้กระตุน้นชักชวนและให้กำลังใจให้เพื่อนชาวพุทธสนใจการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นขอแสงสว่างแห่งธรรมจงสว่างสวไสในจิตใจของเพื่อนชาวพุทธโดยทั่วกันเถิดพระปราโมต ป่าโมดโชหนึ่งมกราคม 2,547 ประทีสองธรรมการที่รู้กาย รู้ใจได้ตรงตามความเป็นจริงนี้เองจะส่งให้เกิดผลสองขั้นตอนคือเบื้องต้นจะละความเห็นผิดว่ากายและใจคือตัวเราลงได้และเบื้องปลายจะละความยึดถือกายและใจลงได้บทที่หนึ่งระทีบ สองธรรม 1. จุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงหรือนิพพานซึ่งมีอยู่สองประเภทคือ 1. ความพ้นทุกข์ทางจิตใจยอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะสิ้นกิเลสตัณหานั่นคือสอุปาทิเสสนิพานหรือกิเลสปรินิพานหรือจะเรียกว่าวิราคาธรรมก็ได้คงเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะได้เกิดมามีร่างกายเสียแล้วและสองความพ้นทุกสิ้นเชิงเมื่อสิ้นขันหรือที่เรียกว่าอนุปาิีเสสนิพาน หรือขันทะปรินิพานหรือจะเรียกว่าวิสังขารธรรมก็ได้คือหมดรูปนามหรือหมดกายหมดใจอันเป็นกองทุกข์ที่เหลืออยู่หลังจากกิเลสปรินิพานพร้อมทั้งไม่มีขันเกิดขึ้นใหม่ให้ต้องเป็นทุกข์อีกในภพต่อไปแม้นิพานจะมีสองประเภทแต่ถ้าทำประเภทแรกให้แจ้ง โดยกระจัดตันหาอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจให้หมดสิ้นไปในปัจจุบันได้แล้วนิพพานประเภทที่สองก็จะตามมาเองเพราะเมื่อสิ้นตันหาผู้สร้างพบความเกิดใหม่ก็มีอีกไม่ได้ 2. ทำอย่างไรจึงจะรู้แจ้งนิพพานได้การบรรลุถึงหรือการประจักษ์ถึงกิเลสปรินิพพานหรือความพ้นทุก เพราะซิ่งกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นได้เมื่อสามารถกระจัดตัณหาหรือความทยานอยากในจิตใจอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลงได้เพราะนิพพานชนิดนี้ก็คือความดับสนิทของตัณหาวิธีที่จะกระจัดความทยานอยากในจิตใจลงได้มีอยู่ทางเดียวคือการเจริญอริยมัติมีองค์แปประการหรือการเจริญวิปัสสนาคือการมีสติสัมปชัญญะ ตามรู้กายตามรู้ใจนั่นเองโดยมีสติคือมีสัมมาสติตามรู้ทุก์คือตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เนืองเนืองคือมีสัมมาวายามะตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือมีสัมมาทิฏฐิในภาคป ร, ริยัติธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือมีสัมมาสมาธิไม่นานก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสภาวะธรรมว่ากายและใจหรือรูปนามเป็นทุกจริงแต่ไม่ใช่ตัวเรานั่นคือมีสัมมาทิฏฐิในภาคปฏิบัติแล้วจิตซึ่งไม่ใช่เราก็ปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามเสียได้ในที่สุดจิตที่ปล่อยวางรูปนามนั่นแหละคือจิตที่พ้นทุกข์และได้ประจักถึงนิพพานอันเป็นสภาวะที่สงบสันติจากขัน และกิเลสตัณหาตั้งปวงการตามรู้กายมีหลักการง่ายๆคือให้มีความรู้สึกตัวแล้วตามรู้กายไปอย่างสบายๆหากกายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่ารู้ซึ่งม่นจะเราอยู่ในอาการอย่างนั้นการตามรู้ใจก็มีหลักการปฏิบัติง่ายๆเช่นกันคือให้มีความรู้สึกตัวและตามรู้จิตใจไปอย่างสบายสบาย หากจิตใจมีความรู้สึกหรือมีอาการอย่างไรก็รู้ว่านามซึ่งไม่ใช่เรามีความรู้สึกหรือมีอาการอย่างนั้นเช่นจิตมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ส่งออกหรือหลงไปตามอารมณ์ทางทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ และสักว่ารู้อารมณ์ทางทวารทั้งหคือรู้โดไม่หลงก็รู้เป็นต้นความรู้สึกตัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการตามรู้กายและตามรู้ใจเพราะถ้าจิตมีความรู้สึกตัวคือไม่หลงไปกับอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้งหซึ่งหลวงปู่ดูลอัตุโลสอนวา่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตก็ย่อมจะอยู่กับเนื้อกับตัว เกิดความรู้สึกตัวแล้วรู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้กายรู้ใจได้ผู้ปฏิบัติพึงทำความรู้จักสภาวะของความรู้สึกตัวโดยการหัดสังเกตความแตกต่างระหว่างความหลงกับความรู้สึกตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันความหลงมีหกชนิดคือเมื่อดูรูปก็หลงรูป แล้วลืมกายลืมใจของตนเองเมื oneself, mm ่อฟังเสียงก็หลงเสียงแล้วลืมกายลืมใจของตนเองเมื่อได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็หลงกลิ่นรสและสัมผัสแล้วลืมกายลืมใจของตนเองและเมื่อรู้อารมณ์ทางใจก็หลงอารมณ์ทางใจแล้วลืมกายลืมใจของตนเอง เมื่อรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเพื่อหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นหนึ่งเนืองและสองตามรู้รูปนามอันเป็นอารมณ์วิปัสนาในสติปัฏฐานจนเห็นความจริงว่ากายและใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะสามารถละสกายาทิฏฐิ หรือความเห็นผิดว่ารูปนามหรือกายใจคือตัวตนลงได้ในเบื้องตน้นและสามารถทำลายความยึดถือรูปนามลงได้ในที่สุดการเจริญสติปัฏฐานเช่นการตามรู้กายในอิเรียบทเดินหรือการตามรู้ความเคลื่อนไหวของกายจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกตัวได้ง่ายกว่าการตามรู้อารมณ์ที่นิ่งๆเช่นการรู้รูปนั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งหลับตาเพราะเมื่อนั่งนานก็มักจะเคลิมง่ายอย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติพึงสังเกตตนเองว่าใช้อารมณ์กรรมฐานอันใดแล้วสติเกิดบ่อยก็ควรใช้อารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องอยู่ประจําไว้จะเป็นการตามรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมก็ใช้ได้ทั้งสิ่ง เพราะแต่ละคนมีจริตนิสัยต่างๆกันทางนี้การเจริญสติแม้จะต้องอยู่ภายใต้หลักการอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่ต่างคนก็มีทางเดินเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำรอยกันเพราะทางนี้เป็นทางของผู้ไปคนเดียวดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปของการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดแต่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เท่านั้นเมื่อรู้สึกตัวได้แล้วก็ให้มันรู้สึกถึงอาการปรากฏของกายและของจิตใจอยู่หนึ่งเนืองแล้วแต่สิ่งใดจะปรากฏชัดเพราะการรู้กายก็ช่วยกระตุ้นให้รู้ใจและการรู้ใจก็ช่วยกระตุ้นให้รู้กายได้แต่ไม่จาเป็นจะต้องรู้แบบไม่ให้คลาดสายตาเพราะจะกลายเป็นการกำหนดเพ่งจ้องหรือ ดักดูกายและใจด้วยอำนาจบงการของตัณหาให้รู้ไปอย่างสบายๆรู้บ้างเผลอบ้างก็ยังดีไม่ต้องอยากรู้หรืออยากให้สติเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงหมั่นตามรู้กายและใจเนืองๆสติจะเกิดได้บ่อยขึ้นเองและไม่ต้องพยายามห้ามไม่ให้จิตหลงเพราะจิตเป็นอนัตตาคือห้ามไม่ได้ บังคับไม่ได้เพียงทำความรู้จักสภาวะของความหลงให้ดีและเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆแล้วความหลงจะสั้นลงได้นอกจากนี้จะต้องจับหลักการปฏิบัติให้แม่นยำว่าจะต้องตามรู้กายตามรู้ใจตามที่เป็นจริงไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงแก้ไขหรือควบคุมกายและใจแต่อย่างใดเลยทั้งนี้ บรรดาคําสอนที่ให้เพ่งกายเพ่งจิตหรือให้แก้ไขดัดแปลงจิตใจเป็นคําสอนในขั้นสมถกรรมฐานทั้งสิ้นจิตที่มีความรู้สึกตัวย่อมไม่หลงไปตามอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่หลงไปในโลกของความคิดเมื่อไม่หลงไปกับความคิดอันเป็นเรื่องของสมมุติบัญญัติจิตก็อยู่กับความจริงและสามารถเห็นอารมณ์ปรมัติตคือกายและใจ หรือรูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงการที่รู้กายรู้ใจได้ตรงตามความเป็นจริงนี้เองจะส่งให้เกิดผลสองขั้นตอนคือเบื้องต้นจะละความเห็นผิดว่ากายและใจคือตัวเราลงได้และเบื้องปลายจะละความยึดถือกายและใจลงได้การละความเห็นผิดว่ากายและใจคือตัวเรานั้นเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติ ตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เนืองเนืองจนเห็นความจริงว่ากายและใจเป็นสิ่งที่แปรปรวนเป็นทุกข์และบังคับไม่ได้จริงเช่นเมื่อตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนอยู่เนืองเนืองก็จะเห็นว่ารูปแต่ละชนิดล้วนถูกความทุกข์บีบคั้นให้รูปเก่าดับไปแล้วรูปใหม่เกิดขึ้น เช่นต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากรูปนั่งเป็นรูปยืนและรูปเดินเป็นต้นจะบังคับให้รูปคงที่ตลอดไปไม่ได้ส่วนความรู้สึกทางใจก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและบังคับไม่ได้เช่นกันสำหรับการละความยึดถือกายและใจเป็นการปฏิบัติในเบื้องสูงวิธีปฏิบัติก็เป็นไปในทานองเดียวกับการปฏิบัติในเบื้องต้นนั่นเอง เพียงแต่ผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะหรือมีความรู้สึกตัวแก่กล้ามากขึ้นสามารถรู้สึกตัวได้อย่างถี่ยิบโดยไม่มีเจตนาจะรู้ในขั้นนี้จึงไม่ต้องจงใจทำอะไรเพราะจิตเขาจะทำของเขาเองคล้ายกับผลไม้ที่รอเวลาสุกเท่านั้นผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวแผ่กว้างออก ในขณะที่ความหลงหดสั้นลงอนุสัยและอาสวะกิเลสทั้งหลายไม่สามารถทำงานได้ดังเดิมกำลังของกิเลสที่ห่อหุ้มปกคลุมจิตและผูกมัดจิตให้ยึดติดอยู่กับขันคือกายและใจอันเป็นของหนักก็จะอ่อนกำลังลงผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตใจมีน้ำหนักน้อยลงเรื่อยๆเพราะวางภาระที่ต้องแบกหามขันไปตามน้าหนัก และรู้สึกว่าจิตเป็นเพียงสภาวะธรรมบางอย่างที่ไม่สนใจจะเรียกตัวเองว่าจิตด้วยซ้ำไปความคิดนึกปรุงแต่งจะจางลงจางลงเว้นแต่มีกิจที่ต้องคิดก็คิดปรุงไปตามหน้าที่และเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะสลัดตัวหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มอยู่เกิดการปล่อยวางขันหรือกายและใจผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ว่า กับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ว่างและปราศจากน้ำหนักเช่นเดียวกันคือธรรมภายในได้แก่จิตใจซึ่งปราศจากเปลือกหุ้มคืออาสวะกิเลสก็ว่างไร้ขอบเขตแผ่กว้างผ่านทวารตาหูจมูกลิ้นและกายรวมเข้าถึงความว่างของธรรมภายนอกเป็นสิ่งเดียวรวดเสมอกันจิตจึงไม่มีการหลงหรือไหลไปมา และเป็นจิต ท, ที่ไม่ทำกรรมอีกต่อไปอันหนึ่งจิต ท, ที่ปล่อยวางขันก็คือจิต ท, ที่พ้นทุกข์เพราะอุปาทานขันนั่นแหละคือตัวทุกข์นี้คือนิพพานประเภทแรกคือความพ้นทุกข์ทางจิตใจยอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสอุปาที่เสสนิพานการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์มีแนวทางปฏิบัติหลัก อยู่เพียงเท่านี้ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเพียงแต่รู้สึกตัวหนึ่งเนืองแล้วตามรู้กายตามรู้ใจไปตามความเป็นจริงซึ่งตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทำได้อย่างนี้จิตจะพัฒนาไปสู่ความพ้นทุกได้เอง 3. มเมื่อรู้แจ้งนิพพานแล้วจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อรู้แจ้งสัพปาทิเสสนิพาน หรือนิพานประเภทที่เป็นความพ้นทุกข์ทางจิตใจอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วนั้นจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายก็ยังคงทำงานไปตามปกติและอารมณ์ที่รู้ก็มีทั้งอารมณ์ที่ดีและเลวด้วยอำนาจของกุศลมิบากและอกุศลมิบากเหมือนกับผู้อื่นเช่นกัน จิตที่ทำหน้าที่การงานทางใจก็ยังคงทำหน้าที่ไปตามปกติมีแปลกอยู่อย่างเดียวคือจิตชนิดที่เป็นมหากุศลจิตและอากุศลจิตจะหมดสิ้นไปเหลือแต่จิตที่สักว่ารู้อารมณ์ทางใจมีสภาพหมดภาระโปรง่งโล่งไรขอบเขตสามารถมองเห็นความว่างจากความเป็นตัวตนและทุกข์ซึ่งแทรกอยู่ในสรรพสิ่งเป็นหนึ่งสงบ เบิกบานไม่ส่งสายไปมาจิตนี้เกิดดับแต่ไม่มีทุกข์เพราะไม่ได้เกาะเกี่ยวกับขันคือรูปนามหรือกายและใจเหมือนหลุดล่อนออกจากเปลือกคือขันเหมือนอยู่ต่างระดับกับขันแต่ก็ไม่ได้แยกชั้นเป็นสองส่วนระหว่างจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เพราะไม่ได้กำหนดหมายจิตไม่ได้ยึดเกาะอยู่กับกายและใจ อันเป็นกองทุกรวมทั้งไม่ยึดเกาะกับสิ่งอื่นๆเช่นความว่างด้วยแต่จิตนี้ก็ไม่ปฏิเสธขันคงปล่อยขันคือกายและใจคืนให้เป็นสมบัติของโลกไปแล้วแต่ขันเขาจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่จิตนี้ก็อาศัยขันและรักษาขันเหมือนการรักษาของที่ยืมผู้อื่นมาใช้เพื่อใช้ขันทําประโยชน์ไปตามกระแสของความเมตตาการุณา อันเป็นความเคยชินที่มีเหลืออยู่อันหนึ่งจิตนี้ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเข้าไม่ถึงจิตนี้จิตไม่ใช่นิพพานและนิพพานก็ไม่ใช่จิตต่างก็เป็นธรรมคนละประเภทกันคือจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์และนิพพานเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสภาพที่ว่างบริสุทธิ์ เต็มบริบูรณ์ปราศจากความปรุงแต่งปราศจากกิเลสและที่สำคัญคือปราศจากทุกข์คือปราศจากขันหรือรูปนามใดๆด้วยดังนั้นนิพพานที่เป็นบ้านเป็นเมืองหรือเป็นตัวเป็นตนจึงไม่ใช่นิพพานในทางพระพุทธศาสนาหมายเหตุ เรื่องราวในประทีปสองธรรมนี้ผู้เขียนได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังตัวผู้เขียนเองไม่มีความรู้ความสามารถใดๆดังนั้นท่านใดอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วสนใจใคร่ปฏิบัติก็ขอให้สแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีเอาเองเถิด อ, อันหนึ่งหากอ่านบทความเรื่องประทีปสองธรรมแล้วสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องอ่านบทความเรื่องอื่นๆในหนังสือเล่มนี้ต่อไปเพราะบทความเรื่องอื่นเป็นเพียงส่วนขยายความของบทความเรื่องนี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเรื่องการตามรู้จิตวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายและลัดสั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขอชวนเชิญให้เพื่อนนักปฏิบัติลองอ่านดูด้วย